เขด่าเราเสียเสียหายโอโมหะาไลาจริงๆเรายังไม่ได้เร็วดึงกนาดนั้นก็ยังด่าอย่างนี้นะเอ้ามันคิดออกขนาดนี้ไหมโดยมากไม่ออกเลยใช่ไหมนี่ปัญญามันไม่เกิดมันไม่สามารถเจาะทะลุทะลวงได้เขาบอกมันเหมือนเหมือนธนูไงเหมือนลูกธนูไงยิงทะลุทะลวงได้แม้ไปในที่มืดกันยังยิงถขกได้ไม่ผิดพลาดเนี่ยปัญญาก็เหมือนกันเจาะทะลุดทะลวงที่มืดได้ก็ในี้เรามองผ่านเราเห็นพระเจ้าไม่ได้ มาแต่ก่อนฉันข้าวเห็นพระริเจ้าไม่ได้ว่าพระบรมศาสดากําลังอนุเคราะห์เกื้อกูลมาอยู่เห็นแต่โยมแล้วอาหารมาใส่มาเรื่อยๆสมัยก่อนเนี่ยกลัวจะมองให้เห็นกลัวจะเจาะทะลุทะลวงว่าพระบรมศาสดามีพระมหากรุณาธิคุณอย่างเหลือเกินแม้เราเนี่ยประพฤติถูกบ้างผิดบ้างพระองค์ก็ยังมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ศาตว์ผู้ต่ําต้อยเช่นเราเช่นนี้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 เวลาจะมาจะเดินพระองค์ก็ทซำพระ่มสอนตลอดเธอจงเดินอย่างนี้จงมนสศิการอย่างนี้ทอดสายตาอย่างนี้เวลาจะรับบาตรพระองค์ก็ะผั่มสอนตลอดสายตาทอดอย่างนี้รับบาตรอย่างนี้วางจิตอย่างนี้เวลาจะฉันอาหารพระองค์ก็บอกฉันอาหารอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้เวลาจะทรงนุ่งผ้าห่มผ้าจีวรสบงต่างๆพระองค์ก็ให้พิจารณาใครควรอย่างนี้ถามใครที่จะตามพั่มสอนมาได้ตลอดเวลาเท่ากับพระรมสาดดามีไหม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 ไม่มีสาวกองไหดของทถาคณเลยบรรลุในการเกียรตินมีใครที่พร่ำสอนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ไหมไม่มีจะไม่มีพระบรมาสสะดาเม้ปัจจุบันนี้ก็กำลังพร่ำสอนอยู่แล้วเราล่ะเห็นคุณของระศาสดาแบบนี้ไหมได้เห็นอยู่ตลอดเวลาเห็นอยู่ทุกขณะนั่นแหละพระปรมาสดาพร่ำสอนให้กำลังใจเราเมื่อเราทุกข์ ยามเราโงกง่วงพระศ า, าสดาก็บอกลุกขึ้นล้างหน้าย้อนหูใช่ไหมมนาสิการอโลกสัญญายามที่หงุดหงิดฟุ้งซ่านก็น้อมบอกให้เจริญเมตตายามที่มีใจกำหนดไม่แน่วิจิกิจฉาเกิดขึ้นก็บอกว่าจงละวิจิกิจฉาหกอย่างถามว่าใครอะที่จะสอนละเอียดละอและคอยพร่ำสอนทุกียาบท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 บอกเอาธาตุดินยี่สิบธาตุน้ำสิบสองธาตุไฟสี่ธาตุลมหโคถาศาสิบสองถือใครควรนะบาริกูลยังไงก็จะละราคาได้โทษาเกิดขึ้นเธอ น, นึกถึงกกจูประมาณสูตรนี่ว่างั้นนะว่าพูดด้วยเมตตาหรือพูดโดยโทษาเป็นต้นเหล่านี้พูดมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ยามที่ถีน้มิท้าเกิดขึ้นก็ให้ใครควรในะโล ก, กสัญญายามที่อุทะจกักกุกุจักเกิดขึ้นก็ให้ตรึกพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ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 พชินาเจ้าก็คือทรงชนะกิเลสมานมัจุมานอภิิสังขาระมานแล้วก็เทพุทธมารสมุปปจิตตุสุพังก็คือว่าผู้สั่งสมคุณความดีไว้แล้วคือสั่งสมบรรเพนก็คือว่าอิทธพผลอันงามไม่สาเร็จกหมายถึงบุญสัพพโลกะบันทุงก็คือว่าเป็นเผ่าพันธุ์ผู้เดียวของโลกทั้งปวงพระบรมศาสดาก็เป็นเผ่าพันธุ์ของโลก ผู้ไม่มีสัหายของสัตว์โลกแม้ทั้งสิ้นเผ่าพันธุ์ก็ได้แก่อัตภาพเดียวเป็นเช่นหนึ่งเดียวนีของพระพุทธเจ้าพราะองค์ใดเป็นผู้ได้รับความสุขในกาวที่มีความสุขเป็นผู้ได้รับความทุกข์ในกราวที่มีความทุกข์พุทธเจ้ า, าชื่อว่าเป็นผู้เป็นเผ่าพันธุ์หนึ่งเพราะความผูกพันดุจบิดาของบุตรบิดานั้นเป็นเผ่าพันธุ์ของบุตรหลานเป็นต้นของตนไม่เป็นเผ่าพันธุ์ของชนเราอื่น ส่วนพระบรมศาสดานั้นน่ะเป็นเผ่าพันธุ์ของสัตว์ทั้งปวงอจริงไหมพระบรมศาสดาเป็นเผ่าพันธุ์ของเราทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นผู้ใดคือจะเป็นเพลทว่าถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยกรุณาพระเทวทัตไหมพระเทวทัตปทุสร้ายพระพุทธเจนี่กรุณาใช่ไหมแล้วท่านให้อะไรก็ให้ปัจเจ ก, กับโพธิญาณไงเห็นไหมอ้าวเธอปทุสร้าย์เราไม่เป็นไร นะแต่อัธยาศัยที่เราเกื้อกูลเธอมาจนเธอได้อัธยาศัยทรงพัไตรยปิฎกเนะ้พระเทวทัศนี่ยทรงพรตรปิฎกเนะื้ได้ภิญญาห้าเนะ้ได้บิญญาห้าโลกยาบิญญาด้วยอัธยาศัยเคร่งด้วยนะถ้าสรุปแล้วเคร่งกว่าพระตัจจุบันนะเอาไปดูที่วัตถุหประการเนนะี่ยพระเทวทัศน์เนี่ย ที่ขอท่านทำได้ด้วยนะไม่ใช่ไม่ได้นะแต่ท่านทำไม่ได้อีกเดียวคือมิจฉาทิฏฐิเท่านะนั้นถอนไม่ได้พระเทวทัศน์ไม่ใช่เป็นพระไม่คร้งตอมายกปัจจุบันนีดังเป็นอย่างนั้นจริงๆพระเทวทัศน์นี่แข้งข้อปฏิบัตินี่คข้งเป๊กแต่มิจฉาทิฏฐินั่นเนะ่ะความอยากใหญ่ความที่ราคาในใจมาเกิดขึ้นภายหลังงท่านเลย ที่ทำลายท่านใช่ไหมนางกินจะมานวิกานางมาคันธิยาพระมณีหรือโอรสลาหุนเนะี่ยพระพรมศา ส, าสดาเห็นพวกเขาทั้งหมดในการที่พวกเขามีความสุขก็ทรงมีความบันเทิงด้วยมุทิตาเอาเห็นท่านเหล่านั้นจากท่านคิดถึงพระเทวทัศน์เนี่ยท่านกรุณาใช่ไหมแต่ถ้าคิดบอกว่าต่อไปจะได้เป็นพายปเจพระเจ้ามีนามว่าอติสาระท่านมุทิตาไหนั่นน่ะท่านมุทิตาอย่างนี้ ถ้าเห็นพวกเราเนี่ยตอนนี้พระเจ้ากรุณาหรือมุทิตาอย่างนี้จะพระองค์จะมุทิตาหรือกรุณาจักไม่ค่อยแน่ใจอยจังเพระเาะอนาคตไม่รู้จะขึ้นต่ำลงสูงขึ้นสูงก็ไม่รู้เดี๋ยลงต่ำหรือขึ้นสูงทรงมีผ้าไทยเนะยด้วยพระหมากรุณามีความลําบากเพราะฉะนั้นเชื่อว่าเป็นเผ่าพันธุ์ผู้เดียวของโลกนาหูแปลว่าไม่มีคือไม่ไม่ได้มีแล้ว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 ทรงบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระเจ้าสุดสมเป็นต้นก็มีเป็นพระโพธิสัตว์เสรีวัชชาเป็นต้นโขนชื่อว่าสุปการะกะก็มีเป็นต้นนี้อย่างรายละเอียดยังไม่เล่าเป็นบโมโหศพสดเป็นต้นเหรอเนี่ยเนียทีนี้ในคําสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยนะถามบอกว่ากุลบุตร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 เป็นผู้ครองโลกชั้นใดก็เป็นดุดขุนคังเก็บเครื่องประดับคือพระคุณของพระเจ้าผู้ทรงเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงพร้อมทั้งผู้ชนะหาที่สุดไม่ได้ใส่ไว้ในใพระอบหอมทีนี้ประเด็นก็คือว่าตอนนี้พระบรมศาสดาเสด็จ ด, ดับขันพระพรินิพานในรูปรกายในรูปรกายท่านใช่ไหมแต่โดยว่าธรรมคาสอนเนี่ยพระเจ้าบอกว่าดูก่อนอานน์ดูก่อนภิกตุทั้งหลายนั่นเอง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 พระสุตตนตปิฎกสอง0มื่นหนึ่งพันพระธรรมขันนะ่ะหลังจากตถาคตล่วงลับไปแล้วเนี่ยทำวินัยเนี่ยจะเป็นศาสดาทากิจศาสดาแทนเราพระวิธรรมสองหมืนสี่พันระสองพันเอ่อสองมืนสองมืนสี 4, ่พันพระธรรมขันเออสี่มืนสองพันพระธรรมขันยสักงงงในช่วงเวลน้น <c oughs> ดีนะพวกเรารู้กันเนี่ย จะเป็นศาสดาแทนเราเมื่อเราล่วงไปแล้วสรุปแล้วตอนเนี้ยท่านก็บอกว่าท่านก็เลยมาขยายบอกว่าพระบร ม, มาศาสดานั้นปรินิพานไปหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าแปดหมื่นสี่พันพระองค์จะทํากิจศาสดาหลังการล่วงไปแห่งเราแไอตอนนี้ประศาสดาทํากิจอยู่ไหมทาไม่ทําแล้วเราเห็นประศาสดากําลังทํากิจไหมตรงเนี้สําคัญตรงที่เห็นไม่เห็น อาตจะเห็นเวลาจะให้ทานอโลภาทานก็เกิดเจตนาทานก็เกิดก็พระศ า, าสดาก็พร่ำสอนว่าจงวางจิตอย่างนี้ถึงจะเป็นอโลพาทานอย่างนี้เป็นเจตนาทานให้ควรในวัตถุอย่างนี้เป็นวัตถุทานให้ควรผู้รับอย่างนี้เป็นปฏิคาหกเป็นทายกเล็กผู้ให้กับผู้รับหนึ่งให้ควรในถูกใช่ไหมพระศ า, าสดาพร่ำสอนก็เห็นพระศ า, าสดากําลังสอนไม่ให้ทานนกุศล พอศีลกุศลกับเจตนาศีลเจรสิก ส, สังวรนาวีติกมะก็เห็นอีกพอสมาธิและปัญญาเป็นต้นก็เข้าใจอย่างท่องแท้เลยอย่างนั้นก็แล้เห็นพระาศาสดาพระมสอนพระาศาสดาสอนจริงๆแต่ประเด็นก็ถามว่าเราได้ปูอาสนะให้พระบรมศาสดาประทับนั่งใกล้เราไหมถ้าไม่ปูก็กลับไปปูเสียไปจัดอาสนะถวายท่านท่านจะได้นั่งประทับไว้ในห้องใจเราอะ แล้วเราจะได้เห็นพระบรมศาสดาพร่ำสอนเราอยู่ตลอดไม่ว่าจะทำกิจใดๆก็แล้วแต่แต่สำคัญเราไม่ยอมปูอาสนะไม่ยอมมาราัทธนาท่านให้นั่งแล้วหนีท่านนี่เข้าห้างอยู่เลยนี่จบเลยยังนี่จบเลยเนี่ยเีเนี้ก็เลยไม่เห็นพระศาสดาพร่ำสอนอยู่ตลอดเวลาแล้วถามว่าแล้วใครจะช่วยเราได้ใครละเว้นพระพุทธเจ้า ถ้าเราละเว้นพระเจ้าพระเจ้าละเว้นเราไหมก็ละเว้นเราเพราะเราไปละเวน้นท่านก่อนแต่ถ้าเราไม่ละเว้นพระเจ้าพระเจ้าก็จกไม่ละเว้นเราต่อนเราไม่เข้าใจยังไงบอกเราจะเฝ้าพระเจ้าเอาเถอเพียรไปเถอะเดี๋ยวพระเจ้าก็ทร่ำสอนเราเข้าใจจนได้บรรลุจนได้เอาที่เพียนพยายามไปสิเดินพระคิดถึงยงพระเจ้าสอนให้เดินยังไงยืนนั่งนอน ก้าวไปถอยกลับแลตรงแลเหลียวคู่เข้าเหยียดออกออกใช่ไหมกินดื่มเคี้ยวลิ้มท่าวะรับปสัสสาวะเนี่ยทรงบาสังกติบาจีวรยืนเดินนั่งนอนตื่นหละพูดนนี้ท่านรู้ว่าพระบรมศ า, ศาสดาบอกยังไงก็พร่ำฟังท่านทแล้วท่านจะได้ดีกันหมดแล้วแต่ก่อนไม่ได้คิดอย่างนี้ใช่ไหมไม่คิดปูอาสนะให้พระองค์ประทับแล้วก็ให้พระองค์พร่ำสอนเราตลอ บางคนก็บอกว่าโยมเนี่ยศึกษาพระธรรมมาสิบปีแล้วอมาฟังเฉยๆอมาไม่ค่อยคิดสะดุ้งสะเทือนหรอกแต่ปะแต่ก็เดืมากว่ โ, โยมสิบปีนะเก่งเกงเกงมาก็ไล่ถามไปในบรรดาสิบปีวันหนึ่งเรียนกี่ชั่วโมงอะไชักยุงเลยอยงนี้โอ้อาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งะท่านครั้งละกี่ชั่วโมงอาทิตย์ละสองชั่วโมง อาทิตย์ละสองชั่วโมงวันหนึ่งยี่สี่ชั่วโมงใช่ไหมเอาตองนั่งนับดนับแต่ปีหนึ่งจะได้จะได้เท่าจะได้ครบปีไหมเนี่ยถ้าว่าสิบปีมันจะได้ครบปีไหมเนี่ยยุ่งแหละเรียนแค่อาทิตย์ละสองชั่วโมงแล้วนอกนั้นแหละแล้วอาทิตย์หนึ่งมีกี่ชั่วโมงมโเขาฟังทำเนี่ยก็ฟังทุกวันก็น เ, เรียนธรรมะเนี่ยก็ เ, เรียนทุกวัน แม้แต่ไปทํางานก็ยเอาพระพุทธเจ้าไปด้วยเลยแล้วถ้าอย่างนี้ที่เชื่อว่าเรียนมาสิบปีเอาถ้าสิบปีได้ดีได้ดีกว่านี้เยอะไหมอุย้ยได้ดีได้ดีกว่านี้เยอะนี่เราทิ้งพระเจ้าเป็นระยะระยะระหว่างทิ้งการหยุเฝ้ า, า, าวิจเจ้านี่เราทิ้งมากกว่างี้แล้วยิ่จะถือว่าไปเรียนสิบปีได้ไงยังเมื่อพระบิดาสวรรคตรเป็นต้นหรือพระบรมศาสดาเนี่ยนะตอนนี้พระบรมศาสดาอยู่พระโยคาวจ ร, รหรือผู้ ศึกษาพระธรรมทั้งหลายก็รับพระอบคือกลิ่นหอมโดยความเคารพเนี่ยด้วยศีรษะรัษาากษาไว้โดยปการแห่งภาวนาปฏิบัติตามคําสอนเนี่ยถึงพุทธภูมิโดยลําดับเป็นผู้ชนะหาที่สุดไม่ได้ประดับเครื่องประดับคือคุณนั้นแล้วก็กะทําโลกทั้งสิ้นให้สว่างสวยเป็นหนึ่งเดียวรุ่งเรืองเป็นใหญ่ในโลกฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าเราท่านทั้งหลายต้อมาศึกษาคําสอนของพระบรมศ า, ศาสดาตรงนี้แล้วก็คือทําความเข้าใจก็คือว่า ในคําสอนของพระบรมศสาสดาที่ท่านกล่าวเขาไว้บอกว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงสร้างบารมีใช่ไหมบารมีเสียสงขัยแปดสงขย 40, ัยสิบหสงขัยที่นับแบบอย่างได้รับพุท ธ, ธบุตรกรทั้งหลายเหล่าเนี้เนะี่ยเมื่อพิจารณาในลักษณะอย่างนี้แล้วท่านถึงบอกบอกว่าบุคคลที่ศึกษาคําสอนของพระบรมศสาสดาโดยความเคารพเป็นต้นเหล่านี้แล้วเนี่ยนะที่ท่านกล่าวไว้บอกว่ากุลบุตร ปุโรชนนะเราท่านทั้งหลายถ้าเป็นผู้ที่เป็นกัลยาณนะปุโรชนนะที่ท่านกล่าวเขาไว้บอกว่าพระเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของประอาทิตย์ได้ทรงแสดงปุโรชนไว้สองประเภทก็คือกัลยาณนะ์ปุโรชนและอันท่าปุโรชนถ้าท่านไดปุโรชนสองประเภทนะั้นปุโรชนใดไม่มีโยนิโสม น, นสัสการในการเรียนการสอบถามในพระธรรมเลยไม่ได้เรียนไม่ได้สอบถามในเรื่องของขันนัยฐานะท่าสัจใจอินทรีสัจจะปฏิจ จ, จ, จสุ บ, บาทเป็นต้น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 ถ้าถามตรงนี้ก็คือบอกว่าภาษารีบุตรเนี่ยกล่าวในเรื่องของพุทธคุณกล่าวคือคุณของพระบรมศ า, ศาสดาไว้บอกว่าพระโพธิสัตว์นั้นนั่งที่โคนต้นสีมหาโพทรงเผากิเลสคือราคาโทสาโมหะมานาทิถิวิจิกิฉาอหิริกานวดปะอุทจกักกิเลสพร้อมทั้งวาสนาและอนุสัยให้ไหมจนไม่มีเหลือแล้วก็กระทพยานในบริสุทธิ์หมดจด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 ของพระเจ้าใช่ไหมเป็นพระเจ้าหรือพยานเป็นพระพุทธเจ้ารูปนี้ก็คือส่วนของรูปยี่สิบเจ็ดรูปใช่ไหมพระเจ้าเนะเว้นอิทีภาวะรูปบ อ, อกว่าอันต่างได้วหมหาพุทธรูปและอุปาทายรูปรวมเม็ดเสร็จก็รูปยี่สิบเจ็ดรูปสรุปก็คือว่ารูปประคันก็คือว่าธาตุดินยี่สิบเนี่ยธาตุน้ำสิบสองธาตุไฟสี่ธาตุลมหก ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามหัวใจไตตาปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยเพรา ะ, ะไร่ไปตามดยจนถึงมันสมองยี่สิบดีเสเลตหนองเลือดเงือมันค้นน้ำตาเปลียวมันน้ำลายเป็นต้นไปจนถึงมุดตังคือน้ำบุเจปัปปะสสาวะก็สิบสองใช่ไหมสิบสองกับยี่สิบเป็นเท่าไหร่สามสิบสองอช่ไหมธาตาุไฟสี่ที่อยู่ในกะลิในสรีรลทั้งสิ้นไฟที่ยังไกลอบอุ่นไฟที่ยังไกลซุดซอมไฟเผาอาหารแล้วก็ไฟที่ทำให้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 สรุปก็คือว่าอะไรสิบสองเออม่ยานเท่าไรยนะี่สิบสิบสองสี่แล้วก็หกเป็นตัวเลขออกมาเลยสี่สิบสองนี่โกฏาทัสะอันนี้คือธาตุที่เกี่ยวกันในเรื่องของรู ป, ปขันใช่พดะเจ้าไหมส่วนเนี้ยหรือเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณนามขันสี่ ที่นั่งประชุมประทรับที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ปัจจุบันนี้ที่ชมบูดาวียดีอินเดียใช่ท่านผู้นั้นไหม พ, พุทธเจ้าทั้งหมดจะเป็นพุทธเจ้าหรือหรือพระญานหรือสัพพยุตยายนเป็นเรือสาธรรมนายานเป็นการเป็นพุทธเจ้านั้นที่พระโพธิสัตว์ทรงเป็นพุทธเจ้าในขันตสัน ด, า น, ด า, านเป็นพุทธเจ้าหรือพญานเป็นพุทธเจ้าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นผู้มีคุณ อะไรเป็นลักษณะอะไรเป็นเครื่องกำหนดทีนี้ถ้าถ้าศึกษาในกรณีอย่างนี้จกักงงไหมแต่ต้องเข้าใจให้ได้นะก่อนที่จะฉันข้าวกันวิธาเนี่ยงั้นก็บอกว่ายังไม่รู้จักพรธเจ้าบอกยังกินข้าวไม่ได้ดีไหมกลัวเราจะแอบไปกินตอนเย็นพระก็เสียเปรียบเลยแต <laughs> ่นี้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 ปัญญายาณของพระบรมศา ส, สดาที่อบรมมาอย่างยาวไกลพอประชุมในคืนสุดท้ายนั่นแหละที่ใต้ต้นซีมาฮัวก็แทงตลอดอริยสัจ ต, ตามความเป็นจริงด้วยสภาวะธรรมตามความเป็นจริงด้วยนั่นคือพยานใช่พยานที่แทงตลอดสภาวะธรรมตามความเป็นจริงไม่เป็นพระเจ้าหรือขันธสันดานท่านก็ตั้งประเด็นว่าฉะนั้นพยานเหล่านั้นก็มีหน้าที่ส่องขอบเขีตดุ ด, ดดวงประทีปปรากฏในที่ไม่หลง ก็คือว่าเหมือนดวงประที่มันก็สว่างเจ้าขึ้นในทํานองอย่างนั้นนะก็คือกลุ่มโมหะทั้งหลายก็ถูกละได้โดยสมุทเชธาปหารละได้โดยเด็ดขาดปรากฏโดยไม่หลงดุดคนนำทางพาไปในป่าถามว่าสมาธิขอไปปัญญาที่ในอารัฐมรักนั้นมีสมาธินั่นแหละเป็นประทัดฐานเพราะศิขาสามจะต้องไปชมใน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 พระยานเป็นพุทธเจ้าความบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นคุณของพุทธเจ้าอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นอย่าไปเข้าใจว่าโอ้พยานเนี่เป็นพระพุทธเจ้าความบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นคุณของพุทธเจ้าอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นเอาอุปมาณะบัณฑิตจะเห็นได้ด้วยการอุปมาพระราชาเสด็จมาเนี่ยถ้าพูดคำว่าพระราชาเสด็จมาเนี่ยพระราชามาองเดียว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 ที่เป็นกลุ่มกุศลทั้งหลายมีศรัทธาอยู่ในนั้นไหมศรัทธาวิริยะสติสมาธติต่างๆก็อยู่ในนั้นด้วยพูดถึงจิตตัววิญ ญ, ญาณนาขันย์ก็อยู่ในนั้นไหมสรุปก็คือรูปขันย์เวทนาเวทนาขันย์สัญญาสังขารวิญญาณที่ประกอบกับพยานนั้นที่สัมยุตยกับพยานนั้นนะก็ชื่อว่าเป็นพุทธเจ้าด้วยแล้วพยานเหล่านั้นนามขันย์สี่เหล่านั้นที่มีพยานนําหน้าเหล่านั้น อาศัยการัชกายเป็นไปอยู่ไหมการัชกาลนั้นเชื่อบริสุทธิ์จากกิเลสหรอหือยังบริสุทธิ์แล้วการัชกายที่เป็นที่อาศัยของนามธรรมเหล่านั้นอาศัยเป็นที่อาศัยของพยานเหล่านั้นเชื่อบริสุทธิ์ด้วยไหมบริสุทธิ์ด้วยฉะนั้นพยายนของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสทำที่ประกอบร่วมกับพยายนก็บริสุทธิ์แม้รูปประคันของพระโรมศ า, ศาสดา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 เปลี่ยนไปด้วยเกิดความโลภเปลี่ยนไหมเกิดความหลงโอ้หเปลี่ยนไปใหญ่เลยเกิดมานะทิฏฐิวิจิจิฉาวิริกาโนตตะปาเกิดมหากุศลดวงที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกระแสจิตจักขูวิญญาณโซตวิญญาณขานะวิญญาณที่เกิดในกระแสขันหน้าท่านเปลี่ยนหมดน่ะเขาเรียกพวกเราเนี่ยนักเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าตลอดได้มากก็เปลี่ยนเป็น ผู้ล้ายบางเป็นคนดีบางยังไม่ใ ช, ใช่ทีนี้อ่อาวอ้าวเรเปลี่ยนบ่อยไหมวันวันหนึง่งทีนี้ถ้าหากว่าโลภะเกิดขึ้นในกระแสะจิตนะเป็นเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลเป็นบาปหรือเป็นบุญถ้าโลภะเป็นจิตใช่ไหมแล้วเวทนาสัญญาสังขารที่เกิดร่วมกับโลภะพอยเป็นบาปไปด้วยไหม ก็บาปทั้งนั้นเลยเกิดในนั้นใช่ไหมรูประขันเสียหายไปด้วยไหมแสดงว่าตอนนั้นในตัวเป็นเป็นอบายศัสตร์หรือเป็นเป็นอะไรเนี่ยเป็นอบายแล้วใช่ไหมเนี่ยนามกขันเป็นอบายแล้วรูประขันเป็นไหมจิตแต่ชโลพลอยเป็นไปด้วยใช่ไหมเออเราก็มองไม่เห็นว่าอบายศัสตร์กำลังนั่งสนธนากับเราใช่ไหมน่าคิดแอะไรี้วย แต่ทีไปเจอใครโกรธก็บอกบอกว่กากล้าบอกเขาไหมบอกเดี๋ยวดิคุณหยุดก่อนเราไม่กล้าอยู่ใกล้อบใบยศาสตร์กล้าเพราะจริงๆเป็นไม่เป็นเราหน้ากรุณาไหมถ้าในนามมาทำเขาเป็นหมดแล้วรูปประทัส่วนหนึ่งเป็นแล้วเหลือแต่กรมะะรมมชะลูปยึดโยงไว้นิดหน่อยแล้วก็พวังก็คอยคอยรักษาไว้ไม่ขาด ถ้าผวางแปลเปลี่ยนเปจุติเขาเป็นอบายจริงๆไหมตอเนี้ยอบา ย, ยาศัสตร์จริงๆเลยทุกศาสตร์ไหมน่ากลัวไหมแล้วชีวิตที่ผ่านมาเราทําความเป็นอบา ย, ยาศัตร์เกิดขึ้นในใจเราบ่อยไหมงั้นก็ระวังกันไวาน่ากลัวมไหมมันจะขาดอยู่แล้วตรงนี้แหละพระพุทธเจา้าการุณาพวกเรา กลัวว่าเราเนี่ยจะไปเพ่นพ่านในบโยภูมิพระ อ, องค์ก็ประทานกุศลศีลให้ตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าการุณาพวกเรากลัวว่าเราเนี่ยจะไปเพ่นพ่านในไบโยภูมิพระ อ, องค์ก็ประทานกุศลศีลให้ประทานอริยทรัพย์ไว้ว่าเธอเกาะเข้าไว้อย่าตกจากศีรษะสาวอย่าตกจากศีลนะ ทีนี้ท่านมีตาดีท่านมองเห็นความเป็นอบัยศาสตร์ของเราในปัจจุบันแล้วท่านเห็นแล้วใช่ไหมท่านก็เลยสงสารว่าเออเนี่ยกรุณาเราท่านทั้งหลายก็ประทา น, านกุศลศีลก็รับกุศลศีลพอเรามีกุศลศีลเข้าอยู่ในใจปุ๊บอกุศลก็ไม่เกิดเราก็ได้เป็นอยู่ในไม่ได้เข้าสู่ความเป็นอภัยศาตร์และในขณะนั้นเอศไปกินอาหารเนี่ยกินอย่าง มนุษย์ก็กินอย่างอบายได้ไหมจะกินด้วยโลภะเทสาวมูฮานี่เป็นไงเนี่ยโอ้โหน่ากลัวนะพระท่านคิดกันอย่างนี้ถึงร้อนลนด้วยว่าต้องถามพระท่านเนี่ยท่านก็คิดกันนี้ร้อนหรือคิดแบบนี้ถ้าคิดอย่างนี้ร้อนถ้าไม่คิดอย่างนี้ไม่ร้อนหรอกเอาถ้าเราเราเรามีความเข้าใจคําสอนอย่างดีเบ็ยเสร็จเราจะกล้าฟังทำเพื่อให้บาปเกิดไหม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 สรุปแล้วก็นั้นแหละพยานของพระบรมศาสดาเป็นพระเจ้าแม้นามาขันก็เป็นพระเจ้าแม้รูปมาขันทั้งหลายนยีก็นับส่งเคราะห์ให้โดยความเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าไปด้วยฉะนั้นทําไมเราท่านทั้งหลายเวลาเจอพระบรมสาเรดรลขาธิกาของพระบรมศาสดามาปฏิสฐานหน้าที่ต่างๆนั้นก็คือมหาพุทธลูกทําไมเราต้องเคารพเพราะว่ามหาพุทธลูกนี้เคยเป็นที่อาศัยของพระสัพพยุตยานาน า, นาวรณญาณอินเตียป ร, ยปรโรปริยติยาน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 เราท่านทั้งหลายได้เห็นความบริสุทธิ์แห่งพระธาตุระลึกถึงคุณของพระบรมศ า, าสดากว่าจะมีพระบรมสารีริกธาตุให้เราสักการแเราบูชาเนี่ยนับมาอย่างยาวไกลอย่างยาวนานกว่าจะมีพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยยีประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนกลับนะกว่าที่จะมีพระรูปเนี่ยให้เราระลึกว่าพระบรมศ า, าสดามีพระรูปอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ของเล็กๆน้อยๆเล ย, อ ย, อยลองเราไปดูที่กรจัดนิทัศการดีต่อไปเราไปดูใหม่ อย่าดูติดแค่กระดาษหรือไม้มองผ่านให้เห็นคุณของพระบรมศาสดาให้ชัดถ้าอย่างนี้เขาเรียกปัญญาทรรมกิจในการเจาะในการทะลุทะลวงได้จริงๆพยานแล่นไปในสิ่งที่พึงรู้อันไม่มีส่วนเหลือแม้อารู ป, ปรขันธ์ที่สัมปยุติกับพยานก็ย่อมแล่นไปนั้นฉะนั้นเหมือนกันการใช้วัวหารว่าพระพุทธเจ้าจริงใช้ได้โดยความสืบต่อของรูปและ นามที่บริสุทธิ์แม้ทั้งสิ้นใช่ไหมในขณะที่รูปประขันในขณะที่นามปรขันของพระบรมศ า, ศาสดาที่สืบต่อเป็นไปตามลําดับตั้งแต่ตัศลุอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณที่ต้นพระสีมหาโพธิโพธิมณฑลหลังจากนั้นสี่สิบหปีเป็นไปตามลําดับความสืบต่อของรูปและรูปเป็นไปตามลําดับนั้นน่ะนั้นน่ะคือพระบรมศาสดากําลังทํากิจของท่านหลังจากกระแสของ ขันของพระบรมศาสดาดับเสด็จดับขันทัปริญิพผานแล้วต่อมาโดยธรรมโดยพระธรรมคําสอน8ป0 0 0พันพระธรรมขันตอนนี้กําลังจาริกในการที่ประกาศพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดาโดยผ่านพระไตรปิฎกได้ผ่านท่านผู้รู้ทั้งหลายในการประกาศออกไปเราเห็นไหมว่าพระบรมศาสดากําลังทํากิจของท่านอยู่ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเรียกว่ารู้จักพระพุทธเจ้ามากขึ้นพอจะชัดเจนใน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 กระจกเงาเสาใสาสะอาดเนี่ยเป็นเหตุให้เห็นรูปนี่เป็นเหตุให้เห็นรู ป, ป, ปถ้ากระจกใสสะอาดได้ก็เป็นเหตุให้เห็นรูปใช่ไหมเช่นกระจกที่เราขัดอย่างดีแล้วไปอยู่ตัวหน้าก็ชัดใช่ไหมรูปเงาหน้าสัตว์ทั้งหลายหรือของเราท้้งหลายก็ก็ก็ก็สะอาเออก็ชัดตะเกียงเน่ะส่องแสงสว่างจ้านั้นเน่ะประกาศบอกถึงอะไรใสกันน้ำมันเขาดีไหมเขาดี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 ก็พลอยทําให้สรีระร่างกายของเราเนี่แปรเปลี่ยนวพาจิตกันเยอะแยะเป็นสิทธแต่กระแสของพยานของพระบรมศาสดาที่แล่นไปวันหนึ่งแล่นมากานี่แล่นไปกระทบกระแสของสัตว์ทั้งหลายนี่ยังมากเลยก็คิดดูว่าสองล้านสี่แสนโกรธสมาบัติที่เป็นไปในส่วนของพระมหากรุณาสมาบัติครึ่งหนึ่งที่เป็นไปส่วนของมหาวชิรยานอีกครึ่งหนึ่งพระสมาบัติธรรมดาเนี่ยนะ อย่างละครึ่งรวมเบษษ็ดเสร็จก็คือสองล้านสี่แสนโกดสมาบัติอย่างละหนึ่งล้านน่ะหนึ่งล้านสองแสนโกดเนี่ยอย่างละหนึ่งล้านสองแสนโกดสมาบัติเนี่ยรวมเบษษ็ดเสร็จก็สองล้านสี่แสนโกดใช่ไหมถามว่าพยานของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องไหมฉะนั้นจิตเจสิกที่เป็นไปกับพยานก็ทะลุทะลวงหมดเลยพยานมันรู้แค่ไหนจิตเจสิกที่เกิดร่วมพยานก็ไปได้แค่นั้นนั่นแหละคือพระพุทธเจ้า กระแสะพยานอาศัยรูปรขันใดเป็นไปอยู่สืบต่อนับความเป็นพระพเจ้าก็คือการนับความสืบต่อกันกระแสะของรูปเวทนาสัญญาสัขงขารวิญญาณของท่านพุทของพระองค์ที่ได้ตัดสู้แล้วนี่สมควรแก่เวลาแล้วนะพอจะรู้จักพระพนะุทธเจ้าในเดี๋ต่อไปก็จะเดินในเรื่องของบารมีในช่วงบ่าย